วันนี้เป็นวั <igung> นที่13ตุลาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันตำรวจแต่แต่วันํารวดเก่าใช่วันตรวดเก่าตั้งแต่ขึ้นลำบานตั้งตำรวจใหม่ก็มีอีกวันที่17ครับเวันที่17ในเราชาวตำรวจเก่าแต่แต่ตั้งกอง ผมตำรวจเห็นชาตขึ้นมาหม่เต็มเ่าแก่เพราะนั้นคว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันตำรวจสองพา ย, อยของพวกเราพวกเรากับสื่นจับู่นป่าโซงองไพยืนยุนสุเขตแดสยามพวกเรายังนำรถึงปลอมตำรวจท่อตำรวจผู้พิทักสันิรา ให้ับให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนมาทัเก่าแก่ถึงําวันตันะ้งแต่โมตารวจเริ่มสร้างแต่มาแบบ น, นี้พวกเรามาถึงทีนี้ไม่รู้ว่ากี่ปีกับก้มโง่ที่ตั้งมานะ่ะส่ข้อมูลมาได้ตินต่อแต่ต้องมีประวัติการเป็นมานั่นแหละแต่ที่นี้ยังไงตารวจที่รับสารพี่น้องประชาชนก็ต้อง มีการลงหายตายจากกันไปลงนามตั้งแต่ผู้ที่เริ่มก่อโรครอยตามยุ่งตาางแต่ตำรวจทั้หลายในประเทศชาติบางทีก็เลยประตูตปัดเฉดที่ไปรักษาผี่น้อกประชาชนเพราะนั้นพวกเรามาทำบุญในวันนี้พวกเรากระ ล, ะละึกลึกลงผมตำรวจของพวกเราคือวิชาอาชีพเดียวกันในเมื่อถึงมาพวกเรายัาง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 ผู้บังคับบัญชาของพวกเราในเมื่อท่านดวรับไปแล้วตกทุกข์กไตรยจักรใดดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ไตรยขอให้มารับส่วนมุลส่วนเพื่อชนพวกเรายินดีที่ส่วนผูน้ น, นให้แต่ถ่านดวงวิญญาณทั้งผู้ใดมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยขึ้นไปอันนี้คือเจตนาตรงมที่พวกเราได้จะทําูุณใหที่ส่วนผูน้ชน ในวันนี้เราจะพร้อมกันก็เป็นการทำบุญเพื่อนเป็นสนิริมงคลสาหรับสองพองนา ย, ยูของพวกเราอีกด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความสรับสรุนให้การร่วมมือเป็นอย่างดีพระสงก็เลยมาเจริญพุทธก้า์9องค์ที่ต่งลงไปตกงสักขุปีบร้นขอให้พี่น้องประชาชนสัมพายญาโยมแล้ว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 ต่อ น, นี้ไปคระสงฆ์จโมทนาให้พอเมื่อน้องอัโนาให้พอเสร็จแล้วพระสงฆ์ ก, ก็จะฉันอาหารเมื่ออาหารเสร็จรียบร้อยแล้วก็จะมีการรบโภน้ำพกระแล้วหลวงพ่อจะเป็นแกเหรียญผู้วาด่าหาตำส่วนหลวงพ่อหาเหยืเออะไรมาแจกเป็นที่ระลึกน่นหลวงนนพ่อถ้าไปที่ืนหลวงพ่อไม่เคยคิดนะเมมไไดี๋ยวไปมองมาเป็นเรียนหลวงปู่ลี หลงปูระละีกุศลทารุ่งข้ามผาแดงที่ท่านสร้างพระเจดีปูผ้ผาแด ง, งพรลงพ่อเป็นกลาบพระราวาท่นานท่านก็ได้แบบงเรียญลูกเปลียนให้นะหลงพอ่อเอื้องเหรียญลงปู่นี่ละ เ, เป็นแจกแต่ตำวดของพวกเราเ็าเหรียนสวยดีนะเป็นไม้เนี่ยเขาเอาลูกออกเป็นไม้เป็นไม้ จะเป็นไม้อข้างในเัาไม่ส้างเหมือนกันแต่ลูกโค้ชสวยก็ทาได้ดีนะเ่ยันั้นผู้ใดกลับเป็นขอนไม่ได้ไม่ได้เหรียญหลวงปู่นอันนี้นะ่ถ้าใครกจะได้เหรียญหลวงปู่ก็คอยๆกัดพว่าน่าจะพอเนี่ยเขาเขียนให้าพของสองร้อยิเหรียญนะเนี่ยสอง2้ิบเหรียญจะต้อเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเมื่อสันเท่านั้นเส็จเกนร้อยมโงน้าพุธมณฑ์เสรจกร้อตข้อไมได้นาเหรียญ ใร้โอ้ลมถูกของเราปูลีของเราให้ดให้กกลูกหลานถือไปกราบไปไหว้ขอรบสัตวราชูชานะแต่ที่ยังไรเหรียญเหรียญก็เป็นเครื่องรับถึงครูบาจารย์วงปู่ลงตาไปดูบไปที่ใดมีรูปเหรียญคูบาอกจารย์อยู่ในกระเป๋ามีอะไรก็ขูดใจในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเนะอาว่าคูบาอาจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเรากอเรา ล, ลื่ถึงกองท่านแต่เลือนยังไงการเลืู่้พวกเราทําความดีไม่ได้เนะี่ยพวกเราทำความดีนะั่นคุ้มกันได้ดีกว่าแต่คุ้มกันได้ดีกว่าคิดดีทดําดีพูดดีอยู่นัดสถานที่ใดดีทา่านนะทานคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีอยู่นสถานที่ใดเกิดเกิดร้อนวุ่นวายอันดับแรกตัวเองะระดับเกิดร้อนวุ่นวาย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 ไม่กัวกฎหมายเราไ็ต้องออกมาลงโทษแต่ถ้าทาไปโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะผิดแตอันนี้กรเราก็ต้องให้้อาไผ่ตักเตือนกันอันนี้คือการอยู่ด้วยการเพื่อความผาสุกเช่นว่าผิดนิ ด, น ด, นดหน่อยไปจับมาเข้าคุกเข้าคุกไปแล้วทำยังไงก็ไปกินข้าวหลวงพวกเราก็หาเงินเข้าไปถึงกินเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปซื้อข้าวหลวงให้เขากินอีก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 มีทั้งพระวินัยของพระสงฆ์ด้วยพระวินัยของพระสงฆ์ก็อยู่ในระดับหนึ่งทางกฎหมายบ้านเมืองเขามีกฎปติกาอย่างไรหลวงพ่อก็เคารพกฎกติการตามกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกับพวกเราท่านท่านหลายเพราะนั้นขอฝากขอฝากไว้กับพวกลูกหลานทานสทตยาญาณหลวพวกหมู่พกเราสิ่งที่ไม่สิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทาอย่าพูดในเรื่องนั้นคิดทําพูดในสิ่งที่ดี ให้ถูกต้องตามศีลธรรมจริยธรรมตามกฎหมายบ้านเดิมแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันมากฝายขนาดไหนก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นทุทน่นหนะ้ากันการกล่าววันนี้การกล่าวในวันตำรวจเห็นชาติวันนี้ก็เห็นว่าทสมควรกับการเวลาตอนนี้ไปวัดสงฆ์จะมุนโมทนาให้พอหนะ้าในเมื่อมอุนโมทนาให้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากสิ่ลวงพอเด็กูดได้กกลา่าว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 ส่วนหนึ่งไว้ก่อนจากนั้นที่เหลือกองแจกทีน้องประชายชนต่อไปนะเพราะว่าถือว่าวันนี้เป็นวันตำรวจนะหลวงพ่อก็ต้องให้ความสำคัญคนเจ้าของบ้านเป็นตำรวจนะเอาแจกขอก็ต้องแจกให้เพียมพอเทก่อนแต่ส่วนอื่นหนะลวงพ่อเคยแจกที่วัดจากเอ็มพีสามังนั่งสือบ้านหลวงพ่อไปแจกที่วัด น, นะแต่มาเขาได้มาแจกในใ น, ในสถานที่รือว่า สพนาอยของพวกเราหลวงพอจะแจกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กลับว่าตอนนี้ไปละกทรั้ย์ในระีแนวอุทิศส่วนคุศลด้วยนะอุทิศส่วนคุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ากรมตำรวจของเราตั้งมาหน่งนานท่านเหล่านั้นก็โปรยตามายุทสัขารรือว่ผู้ที่ประบัติผู้บัิเขตก็มีกนตำรวจค่ะก็ ร, ะรู้กันอยู่แล้วแต่ทิ่งยังไร